ขั้นของสมาธิพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าวางหลักคำสอนเอาไว้อันเป็นหลักใหญ่ๆก็คือศีลสมาธิปัญญาเป็นอุบายหรือเป็นหนทางที่พุทธบริษัทจะต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติเพื่อสร้างคุณธรรมคือความดีให้เกิดมีขึ้นในจิตในใจจนถึงขนาดที่ศีลสมาธิปัญญาประชุมพร้อมกันเป็นองค์อริยมรรค สามารถเกิดสติสัมปะชัญญาขึ้นมาเป็นมหาสติโดวยวิธีการต่างๆวิธีการที่จะพึงปฏิบัตินั้นเราเรียกเรียกกันโดยทั่วไปว่าสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานผลทางที่จะเข้าไปสู่ความรู้จริงเห็นแจ้งในภาวะธรรมทั้งปวงนั้นเราจะหนีจากหลักแห่งการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานไปไม่ได้ ได้กล่าวแล้วว่าการศึกษาธรรมะและการเรียนธรรมะเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้ศึกษามามากพอสมควรแล้วการฟังธรรมก็คือการฟังเสียงผู้เทศเป็นการฟังสิ่งที่เข้ามาสัมผัสจากสิ่งที่เกิดขึ้นในภายนอกสําหรับผู้ที่เริ่มใหม่ซึ่งจิตยังไม่เคยมีสมาธิและไม่เคยเกิดภาวะตัวผู้รู้ขึ้นมาในจิต ให้อาศัยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกบ้างโรือกำหนดบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนชำนิชำนาญบ้างเช่นพุโทโธเป็นต้นให้กำหนดจดจ่อลงที่จิตและเอาจิตนึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธนึกอยู่อย่างนั้นนึกอยู่เฉยเฉยอย่าไปทำความรู้สึกว่าเมื่อไรจิตของเราจะสงบ เมื่อรายจิตจะเกิดสว่างเมื่อรายจิตจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาการภาวนาในเบื้องต้นนี้ไม่ใช่เพื่อจะรู้เพื่อจะเห็นสิ่งอื่นเพื่อให้รู้ให้เห็นสภาพความจริงของจิตของตัวเองเราจะเริ่มรู้ความเป็นจริงของจิตตั้งแต่เราเริ่มกำหนดจิตกับบริกรรมภาวนารู้อย่างไรรู้อยู่ตรงที่ว่า จิตของเรากับบริการมภาวนานั้นมีความสัมพันธ์หรืออยู่ด้วยกันหรือไม่เมื่อจิตของเรากับบริการภาวนาสัมพันธ์กันอยู่ด้วยกันมันมีโอกาสที่จะเผลอส่งกระแสไปทางอื่นหรือไม่นี้ให้เรากำหนดดูความจริงของจิตในตอนนี้ทีนี้ในขณะที่เรานึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่นั้น ความรู้สึกของจิตนั้นมันมีอะไรบ้างเกิดขึ้นจิตอยู่กับพุโทโธไหมหรือว่ามันลืมพุโทโธเป็นบางครั้งบางขณะในขณะที่ลืมนั้นจิตมันไปอยู่ที่ไหนไปอยู่กับสิ่งภายนอกซึ่งเป็นอดีตสัญญาที่เราเคยนึกคิดและจดจำหรือว่านิ่งว่างอยู่เฉยให้เราสังเกตดูความจริงในตอนนี้ ทีนี้ถ้าหากจิตของเราลืมพุโทโธแล้วมันไปอยู่ในสัญญาอาดีตที่เราเคยนึกคิดและจดจำซึ่งเป็นที่อื่นนอกจากพุทธนั้นแสดงว่าจิตของเราละทิ้งพุโทโธแล้วก็ไปยึดเอาอารมณ์เก่าแก่มาเป็นความรู้สึกนึกคิดตามนิสัยเดิมเป็นอาการของจิตฟุ้งซ่านแต่ถ้าหากจิตลืมคาว่าพุโทโธ แล้วไปนิ่งอยู่เฉยเมื่อมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นผู้ภาวนาอย่าไปนึกถึงพูดโธอีกให้กำหนดรู้ลมที่จิตเฉยเอยู่แต่ในช่วงนี้ถ้าหากลมหายใจปรากฏขึ้นในความรู้สึกก็ให้กำหนดรู้ลมหายใจเฉยอยู่เอารลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติจดจ่อดูอยู่อย่างนั้น อย่าไปสร้างความรู้สึกนึกคิดอะไรขึ้นมาและก็ไม่ต้องไปนึกว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวเป็นแต่เพียงรู้กำหนดจดจ่ออยู่เฉยเฉยเท่านั้นความสั้นความยาวความละเอียดความหยาบของลมหายใจเป็นสิ่งที่จิตรู้อยู่จิตย่อมรู้ความสั้นความยาวความหยาบความละเอียด ของลมหายใจอยู่ในทีโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไป น, นึกสำคัญมั่นหมายว่าลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดลมหายใจสั้นลมหายใจยาวหรือลมหายใจขาดหายไปแล้วกำหนดรู้ลงที่จิตตัวรู้จดจ่ออยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติในเบื้องต้น ในขณะที่ท่านกำหนดจดจ่อดูอยู่ที่ลมหายใจเฉย อ, อยู่อะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นไม่ต้องไปคำนึงถึงทั้งนั้นถ้าในช่วงนี้จิตมันเกิดความสว่างขึ้นมาก็อย่าไปเอใจกาหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวหากเกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมาก็อย่าไปเอใจกำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดีย ว, ห, กกย ห, รยยวหรือจะมีอะไรเกิดขึ้น เป็นอุทานธรรมะเป็นภาสิทธ์ซึ่งเกิดขึ้นเป็นความรู้เป็นภาษาก็อย่าไปสำคัญมั่นหมายอย่าไปเอะใจกำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวถ้าหากท่านไปเอะใจหรือเอาใจใส่กับสิ่งนั้นสภาพจิตมันจะเปลี่ยนเมื่อสภาพจิตเปลี่ยนแล้วสมาธิจะถอนสิ่งที่ท่านกําลังกาหนดรู้อยู่นั้นมันจะหายไปทันที อันนี้ขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายพึงระมัดระวังและในเมื่อท่านจดจ่อเอาจิตรู้อยู่ที่จิตและก็รู้อยู่ที่สิ่งที่จิตรู้ความตั้งใจกําหนดจดจ่ออยู่อย่างนี้ด้วยเจตนาท่านเรียกว่าวิต ก, กะหรือวิตก เมื่อจิตกับอารมณ์สิ่งที่กำหนดรู้มีความสนิทแนบแน่นไม่พลากจากกันทรงตัวอยู่โดยอัตโนมัติโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะควบคุมอันนี้เรียกว่าวิจาระหรือวิจารเมื่อจิตกับอารมณ์มีความซึมทราบ และมีความทราบซึ้งลงไปในดวงจิตความดูดดื่มมันก็ย่อมเกิดขึ้นความดูดดื่มของจิตนั้นเรียกว่าปีติปีติเกิดขึ้นทําให้เรารู้สึกกายเบาจิตเบาบางทีทําให้ตัวโยกโครงบางทีทําให้ตัวขึ้นจะลอยเหมือนกับขึ้นสู่อากาศบางทีทําให้รู้สึกหนักตัว ซึ่งสุดแล้วแต่อาการของจิตมันจะปรุงจะแต่งขึ้นให้ท่านกำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวตอนนี้ปล่อยให้จิตมันสวยปีติในเมื่อจิตมีปีติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่กระวนกระวายจิตก็มีแต่ความสุขแล้วก็จะดำเนินสู่สมาธิในขั้นละเอียดต่อไปเป็นลำดับซึ่งจุดแรก เาจะปรากฏว่าอุปจารสมาธิเกิดขึ้นมีความรู้สึกนิ่งสว่างแต่ความรู้สึกในสิ่งภายนอกยังรู้สึกอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆหรือปรากฏอย่างละเอียดในเมื่อจิตผ่านขั้นตอนขั้นนี้ไปแล้วจิตจะมีความสงบแน่วแน่นิ่งลงไปสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิ หรือเอกคัตตาในตอนนี้จิตของท่านสงบอย่างละเอียดมีแต่สภาวะจิตสงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวสมาธิในขั้นต้นนี้โดยส่วนมากในเมื่อจิตสงบลงไปถึงขั้นอับปนาสมาธิหรือเอกคัตตาอย่างแท้จริงแล้วเราจะรู้สึกว่ากายหายไปหมด ยังเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนและในตอนนี้ผู้ภาวนานั้นไม่มีความสามารถที่จะนึกคิดอะไรอย่างอื่นขึ้นภายในจิตได้เพราะสมาธิในตอนนี้เป็นสมาธิด้วยความเป็นเองอย่างแท้จริงเป็นสมาธิที่หมดความตั้งใจซึ่งเรียกว่าสมาธิจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราหมดความตั้งใจ เป็นสมาธิที่เป็นอัตโนมัติเป็นสมาธิที่เป็นเองผู้ภาวนาจะน้อมจิตไปอย่างไรก็น้อมไม่ได้จะถอนจิตออกมาก็ถอนไม่ได้จนกว่าจิตนั้นจะถอนออกมาเองนี่คือลักษณะจิตที่เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิหรือเอกัคตาในขั้นตน้น สมาธิในขั้นนี้ที่ท่านว่ามันเป็นสมถะยังไม่สามารถที่จะให้เกิดความรู้ความเห็นในด้านปัญญาหรือวิปัสนาขึ้นมาได้ก็เพราะจิตในขั้นนี้เป็นแต่เพียงว่าจิตดาเนินเข้าไปสู่ความเป็นเดิมสภาพเดิมของจิตที่ยังไม่ได้ประสบกับอารมณ์ใดๆยอมมีลักษณะอย่างนี้จิตอย่างนี้ ท่านเรียกว่าปฐมจิตเรียกว่าปฐมวิญญาณเรียกว่ามโนธาตุเป็นเหตุให้ผู้ภาวนาได้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตดั้งเดิมของตัวเองคือจิตที่ไม่มีอะไรนั้นมันมีลักษณะอย่างไรแล้วเราจะรู้ในตอนนี้และเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิในขั้นนี้ เมื่อมารับรู้อารมณ์คือเกิดความคิดขึ้นมาสภาพจิตหลังจากที่เกิดมีสมาธิแล้วออกมารับรู้อารมณ์นี้มันจะมีลักษณะแตกต่างจากจิตที่ยังไม่เคยมีสมาธิอย่างไรอันนี้ผู้ภาวนาเมื่อทำจิตไปถึงขั้นนี้แล้วจะรู้ทันทีเพราะฉะนั้นการบริกรรมภาวนาหรือกำหนดอารมณ์ เพื่ทำให้จิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธินั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้ภาวนานั้นรู้สภาพความเป็นจริงของจิตดั้งเดิมของตัวเองแม้ว่าภูมิจิตในขั้นนี้จะยังไม่เกิดปัญญายานรู้เห็นอะไรก็ตามแต่ก็เป็นพื้นฐานสร้างความมั่นคงของจิต เมื่อจิตผ่านการเป็นสมาธิอย่างนี้บ่อยๆเข้าสิ่งที่จะได้เป็นผลพึงตามมาก็คือความมีสติสัมปาชัญญะจะค่อยปรากฏขึ้นทีละน้อยทีละน้อยในขั้นแรกจิตสงบเพีย ง, รงครั้งสองครั้งเมื่อจิตออกจากสมาธิมาขั้นนี้แล้วมันก็จะถอยพรวดพรวดพรวดออกมาโดยไม่กำหนดอะไรเลย ออกมาสู่ความเป็นซึ่งที่เคยเป็นมาตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่เคยทําสมาธิแต่ถ้าจิตผ่านสมาธิแบบนี้บ่อยๆเข้าเมื่อจิตถอนออกมาเกิดความคิดจะเกิดมีตัวสติตามรู้ความคิดขึ้นมาทันทีจิตคิดอะไรสติก็จะจ้องตามรู้ให้ผู้ภาวนารีบช่วยโอกาสในตอนนี้ กำหนดจดจอ่อความรู้ความคิดของตนเองไปเรื่อยๆจิตคิดอะไรขึ้นมาก็รู้เพียงสักแต่ว่ารู้อย่างเดียวอย่าไปวิภาควิจารหรืออย่าไปช่วยมันคิดเพิ่มเติมปล่อยให้จิตคิดไปเองโดยธรรมชาติของมันหน้าที่ของผู้ปฏิบัตินี้มีแต่ตั้งใจตามรู้ความคิดนั้นไปเรื่อยๆ ในเมื่อตัวสติตัวที่ตามรู้ความคิดจิตเอาความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องระลึกของสติสติสัมปชัญญะจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็เพิ่มพลังขึ้นเป็นสติพละจนสามารถเป็นสติวินโยคือสติเป็นวินยัยความรู้ความระลึกได้ความรู้อยู่ สามารถกลายเป็นมหาสติเมื่อจิตกลายเป็นมหาสติขึ้นมาได้เมื่อไรสติวินโยจะเป็นผู้นำคือเป็นผู้ตามตามรู้อารมณ์คือความคิดซึ่งเกิดขึ้นกับจิตเมื่อจิตมีสติตามรู้อารมณ์คือความคิดทันกันเมื่อไรเมื่อนั้น ความคิดซึ่งเราเคยมีอยู่ก่อนนั้นมันจะกลายเป็นภูมิปัญญาโดยลักษณะที่ว่าจิตตัวผู้รู้ก็จะปรากฏรู้อยู่ส่วนหนึ่งต่างหากและสิ่งที่ออกไปคิดค้นคว้าในอารมณ์นั้นก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งอีกต่างหากมองมองดูแล้วคล้ายกับว่าเราคนเดียวมีจิตสองจิตมีใจสองใจ แต่แท้ที่จริงมันก็เป็นใจเดียวกันนั่นแหละแต่ใจหนึ่งจิตหนึ่งมันสงบนิ่งเป็นตัวผู้รู้เพราะอาศัยพลังของสติประคับประคองเอาไวใ้ให้อยู่ในสภาพปกติแต่อีกอันหนึ่งนั้นกระแสะแห่งผู้รู้มันออกไปรับรู้อารมณ์ในเมื่อรู้ขึ้นมาแล้วจิตมีสติ อาศัยสติเป็นพละเป็นกำลังจึงไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองปรุงขึ้นมาในเมื่อจิตปรุงความรู้ขึ้นมาโดยไม่มีความยึดถืออาการของกิเลสมันก็ไม่มีมีแต่รู้เฉยอยู่อะไรรู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปรู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไป ในเมื่อจิตมันละเอียดลงไปสติอันนี้มันละเอียดลงไปรู้ทันมันอย่างละเอียดลงไปโดยไม่ขาดสายสายสัมพันธ์แห่งสติมันเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลาความรู้ความคิดที่เกิดขึ้นในจิตนั้นมันจึงกลายเป็นตัวปัญญาที่ว่ารู้ธรรมเห็นธรรมรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมในขั้นวิปัสสนากรรมฐานนั้น ก็หมายถึงรู้ทันความคิดที่เราเคยคิดอยู่แต่ก่อนที่ยังไม่ภาวนาหรือภาวนาไม่เป็นเมื่อเราภาวนาเป็นแล้วมีสติมีสมาธิดีเรียกว่ามีพละหา้าพร้อมที่จิตมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพร้อมมีศีลสมาธิปัญญา รวมพร้อมกันเป็นหนึ่งตัวที่ปรากฏเด่นชัดให้เรามองเห็นก็คือความมีสติความรู้เท่าทันอารมณ์นั้นๆทีนี้ความคิดที่เคยทําให้เราวุ่นวายเดือดร้อนอยู่นั้นแหละมันจะกลายมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเมื่อจิตกับสติประกอบพลังเป็นอันเดียวแล้วรู้ทันเหตุการณนน์นั้นๆ มันก็กลายเป็นตัวปัญญาจึงเกิดมาเป็นตัววิปัสนามาด้วยประการฉนี้ต่อไปนี้ขอให้ท่านทั้งหลายกำหนดจิตกำหนดรู้ลงที่จิตพยายามจดจ่อลงที่ตัวผู้รู้หรือผู้ที่ยังภาวนาไม่เป็นก็กำหนดบริกรรมภาวนา ตามที่ตนเคยจานี้ํานานมาแล้วผู้ที่เคยมีสมาธิมาแล้วและทําสมาธิได้เร็วก็ไม่จำเป็นต้องไปบริกรรมภาวนาอีกกำหนดรู้ลงที่จิตเท่านั้นจ้องรู้ลงที่จิตผู้รู้คอยจดจ่อว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นภายในจิตในเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นภายในจิตจิตมันจะตามรู้ ในขั้นแรกเราจะกำหนดจดจ่อด้วยความตั้งใจให้มันตามรู้แต่เมื่อมันรู้ทันกันจริงๆแล้วต่อไปเราไม่ต้องไปกำหนดตามรู้ให้มันลำบากจิตกับสติเป็นของคู่กันแล้วเจะกำหนดตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตเองโดยอัตโนมัติในตอนนี้เรียกว่าปัญญาภูมิขั้นแห่งวิปัสสนาในภาคปฏิบัติ เกิดขึ้นเองในขั้นอัตโนมัติคือมันเกิดเป็นความรู้ขึ้นมานั่นเองแต่ความรู้ในขั้นนี้มันก็ยังเป็นภาคปฏิบัติในขั้นวิปัสนายังไม่ใช่ตัววิปัสนาอย่างแท้จริงในเมื่อจิตกําหนดตามรู้สิ่งที่รู้เรื่อยไปเมื่อจิตรู้ซึ่งในสิ่งที่รู้นั้นบางทีมันอาจจะรู้ซึ้งลงไปว่า ความคิดอ่านทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอระหันต์เช่นอย่างท่านพระอัญญากณทัญญะฟังพระธรรมจักกับปวัตนสูตรแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าอย่างไรเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดา ซึ่งเป็นธรรมชาติของความรู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตย่อมมีลักษณะอย่างนี้ใครจะรู้เห็นมากมายสักปานใดก็ตามมันก็รวมไปสู่ความว่ายัางกินจิสมุทธยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาความเห็นความรู้ในขั้นสุดยอด มันมีเพียงแค่นี้ไกรจะเทศอย่างไรอธิบายอย่างไรพิจารณาไปอย่างไรในเมื่อจิตมันรู้แจ้งเห็นจริงมันก็มีแต่อย่างกินจิตสมุทยะธรรมังอย่างเดียวเท่านั้นเพราะความรู้อันนี้มันอยู่เหนือสมมติบัญญัติอยู่เหนือโลกเป็นความรู้ขั้นโลกุตระธรรม